ทมมาสุขสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณนะนาละกระคมแคว้นมคตครั้งนั้นแหลปริพาชกชื่อว่าสามัตกานิเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านว่าท่านสารีบุตร อะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดสุขอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดทุกนี้เป็นอันพึงหวังได้คือความหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะสัมผัสไฟถูกตีด้วยไม้ถูกทําร้ายด้วยศาสตรา ทั้งญาติมิตรต่างก็พากันโกรธเคืองเขาเมื่อมีการเกิดทุกนี้เป็นอันพึงหวังได้เมื่อไม่มีการเกิดสุขนี้เป็นอันพึงหวังได้คือความไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องปวดอุจจาระไม่ต้องปวดปัสสาวะไม่ต้องสัมผัสไฟไม่ถูกตีด้วยไม้ไม่ถูกทําร้ายด้วยศัตราทั้งญาติมิตรก็ไม่พากันโกรธเคืองเขาผู้มีอายุ เมื่อไม่มีการเกิดสุขนี้เป็นอันพึงหวังได้ปฐมมาสุ ข, ขสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยสุขสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์สูตรที่สองสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณนะนานละกะคมแคว้นมคตครั้งนั้นแหลปริภาชกชื่อว่าสามัญทการนิเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่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 เมื่อไม่ยินดีทุกนี้เป็นอันพึงหวังได้คือบุคคลผู้ไม่ยินดีแม้เดินอยู่ก็ไม่ประสบความสุขสําราญบุคคลผู้ไม่ยินดีแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้ไปสู่บ้านแม้ไปสู่ป่าแม้ไปสู่โคนไม้แม้ไปสู่เรือนว่างแม้ไปสู่ที่แจ้งแม้ไปสู่ถ้ากลางภิกษุสงฆ์ก็ไม่ประสบความสุขสําราญผู้มีอายุ เมื่อไม่ยินดีทุกนี้เป็นอันพึงหวังได้เมื่อมีความยินดีสุกนี้เป็นอันพึงหวังได้คือบุคคลผู้มีความยินดีแม้เดินอยู่ก็ประสบความสุขสำราญแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้ไปสู่บ้านแม้ไปสู่ป่าแม้ไปสู่โคนไม้แม้ไปสู่เรือนว่างแม้ไปสู่ถ้ากลางภิกษุสงฆ์ก็ประสบความสุขสาราญ ผู้มีอายุเมื่อมีความยินดีสุขนี้เป็นอันพึงหวังได้ทุติยสุขสูตรที่หจบเจ็ดปฐมนาลกะปานสูตรว่าด้วย พระธรรมเทศนาที่นารกะปาณ น, นิคมสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปนในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงนิคมของชาวโกศลชื่อว่านารกะปาณนะประทับอยู่ที่ปราสวรรค์ใกล้นารกะปาณ น, นิคมนั้นสมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว ประทับนั่งในวันอุโบสถนั้นทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีระถาสิ้นหลายราตรีทีเดียวทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งเงียบอยู่ทรงเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทะ ความหดหูและซึ่งซึมแล้วเฉพาะเธอเท่านั้นที่จะอธิบายธรรมมีกาถาให้แจมแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายได้เราเมื่อหลังจากเอ็นหลังท่านพระสารีบุตรได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูล่าสังคาติทบสี่ชั้นบันทมสีห์สายญาตโดยพระปรตเบื้องขวาทรงวางพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงทำอุทานสัญญาความกำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นไว้ในพระห ท, ทยัยณที่นั้นแหลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีวิริยะ ไม่มีปัญญาในคุณสธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป <t> เขาเพีงวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในคุณสมธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลย <t> ผู้ใดผู้หนึ <after> ่งไม่มีศรัทธานในกุสธรรมทั้งหลายไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุสมธรรมทั้งหลาย <t> เมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป เขาเพิงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในการปักข้างแรมผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเสื่อมจากความงามย่อมเสื่อมจากรัศีย่อมเสือสอเส่อมจากแสงสว่างย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้างข้อที่ว่าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตระป เกียรติครานมีปัญญาสามมักโกรธผูกโกรธปรารถนาชั่วมีมิจฉุกเป็นมิจฉาทิฐินี้เป็นความเสื่อมผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่มีความเสื่อมเลยผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตตะปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในชุนหับปักข้างขึ้นผ่านไป ดวงจันนั้นย่อมเจริญด้วยความงามย่อมเจริญด้วยรัศมีย่อมเจริญด้วยแสงสว่างย่อมเจริญด้วยด้านยาวและด้านกว้างข้อที่ว่าบุคคลผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตปะปรารบความเพียรมีปัญญาไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธมักน้อยมีมิตร ด, ดีเป็นสัมมาทิฐินี้ไม่เป็นความเสื่อมครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้วตรัสชมท่านพระสารีบุตรว่าดีละดีละสารีบุตรผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยสารีบุตร ผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายและถึงไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นและถึงไม่มีความเจริญเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในกาลปักผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเสื่อมจากความงามย่อมเสื่อมจากรัศีย่อมเสือสอเส่อมจากแสงสว่าง ย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้างข้อที่ว่าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะเกียรติคร้านมีปัญญาสามมักโกรธผูกโกรธปรารถนาชั่วมีมิจฉุ่วเป็นมิจฉาทิฐินี้เป็นความเสื่อมผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตตะปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย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 ไม่มีความเสื่อมเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในชุนหะปักผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเจริญด้วยความงามย่อมเจริญด้วยรัศมีย่อมเจริญด้วยแสงสว่างย่อมเจริญด้วยด้านยาวและด้านกว้างสารีบุตรข้อที่ว่าบุคคลผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตะปะปรารบความเพียรมีปัญญาไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธ มากน้อยมีมิติเป็นสัมมาทิฐินี้ไม่เป็นความเสื่อมปฐมนาลกะปานสูตรที่เจ็ดจบ8ทุติยนาลกะปานสูตรว่าด้วย พระธรรมเทศนาที่นลกะปานานิคมสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูนะ่ณปลาสวรรค์ใกล้นลกะปานานิคมสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในวันอุโบสถนั้นส่งชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาจทารแกล้วกล้า ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีคาถาสิ้นหลายราตรีทีเดียวทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งเงียบอยู่ได้ทรงเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์เป็นผู้ประสาทจากทีนัมิทะแล้วเฉพาะเธอเท่านั้นที่จะอธิบายทำมีคาถาให้แจมแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายได้เราเมื่อยหลังจากเอ็นหลัง ท่านพระสารีบุตรได้ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูล่าสังคาติทบสีชัน้นบรรทมสีหาสัยญาติโดยพระประัดเบื้องขวาทรงวางพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะทรงทำอุทธานสัญญาไว้ในพระหทยัยนณะที่นั้นแหละท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเรียก่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งไม่ศรัทธาในคุณธรรมทั้งหลายไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาไม่มีการเงี่ยโธดฟังธรรมไม่มีการทรงจำำําธรรมไม่มีการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมไม่มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่มีความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาไม่มีการเนื้โสดฟังธรรมไม่มีการทรงจำธรรมไม่มีการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรม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 ย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้างผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในคุรธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตปะมีวิริยะมีปัญญามีการเนี้ยโสตฟังธรรมมีการทรงจำธรรมมีการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความไม่ประมาทในกุณธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป เขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุณสมธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุณสมธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตตะปะมีวิริยะมีปัญญามีการเงียบโสดฟังธรรมมีการทรงจำธรรมมีการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความไม่ประมาทในกุณสธรรมทั้งหลาย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 ไม่มีความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป <c oughs> เขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยสารีบุตรผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายและถึงไม่มีความไม่ประมาท <c oughs> ในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป เขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในคุณสรธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในการปะปากผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเสื่อมจากความงามย่อมเสื่อมจากรัศมีย่อมเสือสอเส่อมจากแสงสว่างย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้างผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในคุณสมรธรรมทั้งหลายมีหิริมีอด ต, ตปะปมีวิริยะมีปัญญา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 ทุติยานา ร, รกะปานสูตที่8จบเก้าปฐมมะกระทาวัตุสูตรว่าด้วยกระทาวัตุสูตรที่หนึ่ง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแหลภิกษุจำนวนมากกลับจากบินบาทในเวลาหลังพัตตาหานั่งประชุมกันที่หอฉันสนธนาติระชานคาถาต่างๆคือ 1. ราชาคถาเรื่องพระราชา 2. โจรกคถาเรื่องโจน 3. ม, มหามัตตกถาเรื่องมหาอมาต 4. เสนากถาเรื่องกองทัพ 5. พยากถาเรื่องภัย 6. ยุทธกถาเรื่องการรบ 7. อนนกกถาเรื่องข้าว 8. ป, ปานากถาเรื่องน้ํา 9. วัฏกถาเรื่องผ้า 10. บยนะกถาเรื่องที่นอน 11. มาลาคถาเรื่องดอกไม้ 12. คันธากาถาเรื่องของหอม 13. บายาเตียกาถาเรื่องญาติ 14. ยาหนากาถาเรื่องยาน 15. บ้าคามกถาเรื่องบ้าน 16. นิคมมาถาเรื่องนิคม 17. นครกาถาเรื่องนคร 18. ชนะปะทะกถาเรื่องชนบท19อิทคขาเรื่องสตรี20ปุริสกขาเรื่องบุรุษ21สุรกขาเรื่องคนกล้า22วิสิกขาถาเรื่องตรอก23กุมมะพัฒานานกถาเรื่องท่าน้ำ24ปุพพเปตกขา เรื่องคนที่ล่วงละไปแล้ว 25. นานาตะกะถาเรื่องเบตตะเล็ด 26. โลกคกายิกะเรื่องโลก 27. สมุททักาญิกะเรื่องทะเล 28. อิติภาวะภวกะถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉัน ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูร่าดไว้ด้วยปรถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาตในเวลาหลังพัตฐารนั่งประชุมกันที่หอฉัน สนธนาติรชานกกถาต่างๆคือหนึ่งราชากถาเรื่องพระราชาสองโจรกถาเรื่องโจนและถึง 28. อิติภาวาภาวะกะถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่สมควรเลยที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิต สนทนาติราชานกขาต่างๆคือ 1. ราชากถาเรื่องพระราชา 2. โจรักถาเรื่องโจร 3. มหามัตตกถาเรื่องมหาอมาตย์สเสนากถาเรื่องกองทัพ 5. พยากถาเรื่องภัย 6. ยุทธกถาเรื่องการรบ 7. อนกกถาเรื่องข้าว 8. ปานากถาเรื่องน้ำ เาวัฏกถาเรื่องผ้า 10. บสยนะกะถาเรื่องที่นอน11มาลากถาเรื่องดอกไม้ 12. คันธกถาเรื่องของหอม 13. ญาติกกถาเรื่องญาติ 14. บยานกถาเรื่องยาน 15. บาฆามกถาเรื่องบ้าน 16. นิคมมกถาเรื่องนิคม 17. นครกะถาเรื่องนคร 18. ชนะปทกถาเรื่องชนบท 19. อิทิกถาเรื่องสตรี20ปุริศกถาเรื่องบุรุษ21สิุรกกถาเรื่องคนกล้า 22. วิสิศขากถาเรื่องตรอกยีบสากุมมพันานกะถาเรื่องท่าน้ำยี่ ปุผ้าเป ต, ตะกถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว 25. หานานตกถาเรื่องเบ็ดตเตล็ด 26. โลกคายึกะเรื่องโลก 27. สมุทรทักายกกะเรื่องทะเล 28. หิอิติภาวาภาวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุทั้งหลายก็ท้าวัตถุสิบประการนี้ กถาวัตถุสิประการอะไรบ้างคือ 1. อัปงิจชะกถาเรื่องความมักน้อย 2. สันตุติกถาเรื่องความสันโดษ 3. ปวิเวกกถาเรื่องความสังัด 4. อาสังสัคขคกถาเรื่องความไม่คลุกคลี 5. วิริยารมภะกถาเรื่องการปาราความเพียน 6. ศีลกถาเรื่องศีล เสมาธิกถาเรื่องสมาธิ 8. ปัญญากาถาเรื่องปัญญา 9. วิมุตติกาถาเรื่องวิมุตติ 10. วิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติภิกษุทั้งหลายกท้าวัตถุสิบประการ น, นี้แลภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายจะพึงยกคาถาวัตถุสิประการ น, นี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากล่าว เธอทั้งหลายก็จะสามารถครอบเมเดชานุภาพของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ด้วยเดชานุภาพของตนได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอัญญะดิรธีปริภาชกทั้งหลายเลยปฐมมกถาวัตถุสูตรที่9จบ ทุติยากะาวัตถุสูตรว่าด้วยกะาวัตถุสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขครุงสาวัถีสมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังพัตหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนธนาติรชานกกถาต่างๆคือหนึ่ง ราชาคถาเรื่องพระราชา 2. โจรคถาเรื่องโจร 3. ม, มหามั ต, ตกิกถาเรื่องมหาอมาตะและถึง28อิติภาวะภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธ า, าที่เขาปูลาดไว้ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนาและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทในเวลาหลังพัตตาหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาติรชาชนกขาต่างๆคือหนึ่งราชากถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจรและถึง 28. อิติภาวาภวากถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่สมควรเลยที่เธอทั้งหลายผู้เป็นคุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเป็นบนรรพชิตสนธนาติราชานกกถาต่างๆคือหนึ่งราชากะถาเรื่องพระราชาละถึง 2 8อิติภาวะภาวะกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุทั้งหลายท่าน้าที่ควรสรรเสริญ1ิบประการนี้ท่าน้าที่ควรสรรเสริญสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นตนเองเป็นผู้มักน้อยและแสดงคุณของความเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้มักน้อย และแสดงคุณของความเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 2. ตนเองเป็นผู้สันโดษและแสดงคุณของความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สันโดษและแสดงคุณของความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 3. ตนเองเป็นผู้สังัดและแสดงคุณของความสังัดแก่ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ว่าพิกษุเป็นผู้สงัดและแสดงคุณของความสงัดแก่พิสษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 4. ต้ตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีและแสดงคุณของความเป็นผู้ไม่คลุกคลีแก่พิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิสษุเป็นผู้ไม่คลุกคลีและแสดงคุณของความไม่คลุกคลีแก่พิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญห ตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรและแสดงคุณของการปรารภความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรและแสดงคุณของการปรารภความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 6. กตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล Umn. และแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 7. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญแ ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 9. ก้ต <treasure True. S 2> นเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่า ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 10. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะ และแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญสิบประการนี้แหลทุติยา ก, กะเาวัตุสูตรที่10บจบยะมกะวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อวิชชาสูตรสองตันหาสูตร สนิทังคตะสูตร 4. เอเวจับปสันนาสูตร 5. ปฐมมสุขสูตร 6. ทุติยสุขสูตร 7. ปฐมมะนรากะปานาสูตร 8. ทุติยานรากะปานาสูตร 9. ปฐมมกะทาวัตถุสูตร 10. ทุติยกะทาวัตถุสูตร 3. อากังขวักหมวดว่าด้วยความหวังหนึ่งอากังขสูตรว่าด้วยความหวังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกเศรษฐีเคครุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับเสีงเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 เราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์มันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูณเรอนว่างเถิด 2. หากพิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้ได้จีวอนบินตาบัเสนาสนะและคิลานปัจัยเพสัตวบริคาร พึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์มันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูนเรือนว่างเถิด 3. หากภิกษุหวังว่าเราบริโภคจีวรบินดาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารของชนเหล่าใดขอสักการะของชนเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอนิสงมาก พึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์และถึงเพิ่มภูณเรือนว่างเถิด 4. หาภิกษุวังว่าญาสาโลหิตเราใดผู้ล่วงละไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงเราขอการระลึกถึงเราของญาสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอนิสง ม, มากพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์และถึงเพิ่มภูณเรือนว่างเถิดห หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินทบาตเศีษฐสนสะและคีลานปั จ, จัจเพศบริขารตามแต่จะได้พึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มภูณเรือนว่างเถิดหกหากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อดทนต่อความหนาวร้อนหิวกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานถ้อยคำหยาบคายร้ายกาศ พึงเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่ยินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มภูณเรือนว่างเถิด 7. หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้ข่มความยินดีและความยินร้ายความยินดีและความยินร้ายไม่พึงครอบงาเรา ขอเราพึงข่มความยินดีและความยินร้ายที่เกิดขึ้นอยู่พึงเป็นผู้ทํทาศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มภูณเรือนว่างเถิด 8. หากภิกษุวางว่าเราพึงเป็นผู้ระงับความกลัวความหวาเสียวได้ความกลัวความหวาเสียว ไ, ไม่พึงครอบงําเราขอเราพึงระงับความกลัวความหวาเสียวที่เกิดขึ้นอยู่พึงเป็นผู้ทํทาศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ เพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 9. กาหากพิสูจน์ว่วาเราพึงเป็นผู้ได้ฌานสีอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากพึงเป็นผู้ทําศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 10. หากพิสูจน์ว่วาเราพึงทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์มันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูณเรนว่างเถิดภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยปาติโม่สมรวมด้วยการสังวรในปาติโม่ เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมท า, านศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นอากังขสูตรที่หนึ่งจบ 2. กันตกะสูตรว่าด้วยปฏิปักขธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นักูทาคารสาลาป่ามหาวันเช ค, ครุงเวสาลี พร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเทระที่มีชื่อเสียงหลายรูปคือท่านพระปาละท่านพระอุปาลท่านพระกักะตะท่านพระกลิมพระท่านพระนิกะตะท่านพระกะติสหะและพระสาวกผู้เป็นเทระมีชื่อเสียงเหล่าอื่นสมัยนั้นแหลเจ้าลิชวีผู้มีกิติศัพท์เรื่องหลือจจำนวนมากได้พากันจัดขบวนพยุหายาตราทางสทนมาก เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังป่ามหาวันครั้งนั้นแลท่านพระเทระเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าจเจ้าฤิชวีผู้มีกิติศัพท์เรื่อหเลอจำนวนมากได้พากันจัดขบวนพยุหายาตราทางสทนมากเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังป่ามหาวันก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าฌานมีเสียงเป็นปฏิปัก ทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังโคสิงค์สะสาลวณทะยวันเป็นผู้เงียบเสียงไม่พลุกพล่านอยู่ภาสุขทีนั้นพระเทระเหล่านั้นจึงเข้าไปยังโคสิงค์สะสารวณทะยวันเป็นผู้เงียบเสียงไม่พลุกพล่านอยู่ภาสุขครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายปาลภิกษุไปไหน ป, ปูปลาละิิษุไปไหนกกตาภิกษุกรลิมพระพิสุนืกตะตากิุปฏิสหภิกษุไปไหนสาวกผู่เป็นเทระเหล่านั้นไปไหนหนอภิิษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทาวโรกาลท่านพระเทระเหล่านั้นคิดว่าเจ้าลิชวีผู้มีขศดสท์เรื่องเือจานวนมาก ได้พากันจัดขบวนพยุหะาตราทางสทนมากเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างป่ามหาวันก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าฌานมีเสียงเป็นปฏิปักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังโคลสิงฆะสารวณทัยวันเป็นผู้เงียบเสียงไม่พลุกพล่านอยู่ผาสุขทีนั้นพระเทระเหล่านั้นจึงเข้าไปยังโคสิงฆะสารวณฑ า, ายวัน เป็นผู้เงียบเสียงไม่พลุกพล่านอยู่ภาสุขพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละดีละมหาสาวกเหล่านั้นเมื่อตอบให้ชัดเจนพึงตอบดังนั้นเพราะเรากล่าวว่าฌานมีเสียงเป็นปฏิปักษ์ปฏิปักษธรรมสิประการนี้ปฏิปักษธรรมส0ประการอะไรบ้างคือหนึ่งความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ยินดีในความสังัด 2. ความเจริญสุภาพนิมิตเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เจริญอสุภาพนิมิต 3. การดูมหโหรสพที่เป็นฆาสึกเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 4. ความใกล้ชิดมาตุคามเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจันร์ 5. เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌาน 6. วิตกวิจาร เป็นปฏิปักต่อทุติยชาญ 7. ปีติเป็นปฏิปักต่อตติยชาญ 8. ร่วมอาสาสะปัสสาสะเป็นปฏิปักต่อจตุทชาญ 9. สัญญาและเวทนาเป็นปฏิปักต่อสัญญาเวทยียทนิโรธาสมาบัติ 10. ราคะโทสะและโมหะเป็นปฏิปกักษธรรมภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษ์อยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้หมดปฏิปักษธรรมอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษธรรมหมดปฏิปักษธรรมอยู่เถิดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีปฏิปักษธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายหมดปฏิปักษธรรมภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษธรรมและหมดปฏิปักษธรรม การตะกะสูตรที่สองจบ